พระธรรมเทศนาแผ่นที่112ลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่15กันยายน2560มีชื่อเรื่องว่ามองตนด้วยมองคนอื่นด้วยโอ้วันนี้พระ ในวัดของเรา47รูปลงมาชัน39งดชัน9วันนี้เป็นวันศุกร์ที่15กันยายนพุทธศักราช2560เมื่อวานหลวงพ่อได้ออกไปผู้น้าเหลาว่างานวันเกิดจเจ้าพระครูพิสารปัญญาคุณ อยาคณนะอำเภออำเภ อ, อ, เภอน้ำสสมวัดภูนาหลาวออนั้หมดหลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมเมื่อคืนเนี่ยหลวงพ่อก็ได้แสดงธรรมเพราะว่าท่านตัวท่านเองท่านป่วยท่านไม่สบายปีนี้ท่านจำพรรษาอยู่ที่กรุงเทพออกจากโรงพยาบาลมาได้แต่เขากเก่งนะยุคนี้สมัยนี้นะออพอเทศจบแล้วท่านกอ็ออกมาขอบคุณทางลาย ทั้งจอบักใหญ่เลยให้พี่น้องประชาชนท่านก็ชี้แจงว่าท่านมีอะไรท่านป่วยอะไรให้กับพี่น้องประชาชนในงานในที่ชลาใหญ่ของท่านในทั้งที่ท่านอยู่นู่นอยู่โรงพยาบาลจุฬานะยนุคนี้สมัยนี้ถึงจะอยู่ไกลก็เหมือนกับอยู่ใกลท่านก็ขอบุญขอบคุณหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้ บอกสักชวนพี่น้องประชาชนจตธายาโยงพระเนรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเนนพระสงฆ์เจ้าอาวาตวัดต่างๆเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยพวกเราควรจะช่วยๆกันนะเพราะว่าค่าใช้จา่ายค่าหมดค่าหมอทุกวนันนี้ยาบางอย่างบา ง, าบางตัวมันแพงเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งยามะเร็งเป็นหลายแสน ถ้าจะให้วัดใจวัดตึงเป็นผู้ดูแลก็คงจะหนักหนาสาหัพาสพอสมควรอย่างวัดเมื่อคืนนีกแต่ท่านก็จะแต่รักษาแต่ท่านก็ไม่ได้หนักหนาแต่ก็ใช้ทุนของเจ้าพรกคุณสมเด็จพระสังฆราชแต่พวกเราลูกหลานพระในกรุงครองเราก็ควรจะเอาไปทดแทนวัดแต่ที่ท่านใช้เจ้าพกคุณสมเด็จมูลในที่นั้น เราควรพวกเราควรจะมีน้ำใจนะแต่วัดเราเมื่อวานก็ได้เอาจตุปัจจัยไปสมทบในการเจ็บไข้ได้ป่วยท่านอาจารย์พ่อครูเมื่อวานเนี่ยหกหมื่นนะลูกหลานนะลูกหลานอนุมโมรนาอันนี้ก็คือค่าเจ็บไข้ได้ป่วยวัดของเราก็เนี้ยนะไม่ได้มองข้ามค่า เก็บได้ป่วยดูแลพระสงฆ์อาพาธเมื่อวานหลพ่อทั้งแสดงธรรมด้วยทั้งอัดจตุ ป, ปัจจัยไปสมทบด้วยเมื่อเทศจบแล้วขอถวายปัจจัยอีกกันเทศอีกสามพันหลวงพ่อขาได้มอบไปอีก <c oughs> เป็นเป็นหกหมื่นสามพันเสร็จแล้วหลวงพ่ อ, อยังบูดเออลูกล้านใครจะสมทบเข้ามาอกีกมารวบรวมกันอีก ได้สี่0มืนกว่าบาทบางีหลวงพ่อนั่งอยู่บนธรรมะเดี๋ยวหลวงพ่อรวบรวมเสร็จแล้วหลวงพ่อจะเป็นองค์เณนผู้ให้พรได้ส0 0 0มนกว่าบาทรวมแล้วได้ได้แสนแสนแสนเศษเศษในคืนเนี้ยแล้วก็บอกว่ามุหวนพวงนี้หนะ้าลูกหลานหน้าคงจะรวบรวมรวรวมกันเอกโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงวัด ครบาอาจารย์พระสงฆ์ที่มาในงานนั่นวัดต่างๆมาร่วมร่วมกันข่าวนี้ตาข่าข่าวหน้าตาเองมันมีตาของใครของเรานะอข่าวนี้ตาข่าข่าป่วยขา่าข่าวหน้าตาเองก็ต้องช่วยกันใครเป็นมีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องช่วยกันในหมู่ในคณะหลวงพ่อก็แนะนําอย่างนั้น่ะแต่หลวงพ่อก็บอกว่าพรุ่งนี้เช้า ผมอาจจะไม่ได้มายปินทบาทเนอะพระเนลูกหลานศรัทธาญาติโยมท่านได้เห็นท่านได้เห็นหลวงพ่อมาแล้วเออไปว่าหลวงพ่อมาถ้าไม่เห็นหลวงพ่อไปว่าไม่ได้มาเพราะว่าในวัดของหลวงพ่อก็มีศรัทธาญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ละวันก็มากพอสมควรอยู่ถ้าจะหนีออกมาก็รู้สึกว่าจะขาดทางนู้นอีกเหมือนกันแต่ทางนี้ก็มีศรัทธาญาติโยม ครูบาอาจารย์ก็มากอยู่แล้วมองไปครูบาอาจารย์เนอะถ้ามาได้ก็จะมาถ้ามาไม่ได้ก็ไม่เห็นแล้วก็ไปว่าไม่ได้มาแล้วเนอะหลวงพ่อก็พูดอย่างนั้นเมื่อคืนนี้นะจากนั้นหลวงพ่อก็กลับมาถึงวัดเกือบสามสี่ทุ่มสามทุ่มมากกว่าแต่วันนี้ฉันจังหันเสร็จแล้วหลวงพ่อก็จะได้ออกไปอีกนะทายาทโยมไปนู่นที ไปทางเลยเมืองอุดรไปทางสกลนครทางแยกน่นชัยวานนะทางแยกเข้าไปอำเภอชัยวานวัดศรีพิไลวัดหลวงปู่คาผิวหลวงปู่คาผิวนี่เป็นญาติของหลวงตานะบวชก่อนหลวงพ่อแต่ท่านเป็นคนบ้านตาดต่อมาท่านก็เนี่ยมรณภาพเมื่อไม่กี่วัน แต่ก่อนหน้านี้หลวงพ่อชูธรรมได้มาทําวัดหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้ฝากจตุปัจจัยและฝากผ้าไปแล้วละ่ะไปร่วมในงานศพแต่คราวนี้เขาคงจะไปร่วมกันสวดพระ อ, อภิธรรมวันที่วันนี้วันที่15นะีตอนบ่ายโมงวันที่17เเขาคงจะมีการพระราชทานเพลิงศพเพราะท่านเป็นพวกครูนะ นี่ยละงานของหลวงพอ่อถ้าไม่ถ้าไปถ้าไม่ไปถ้าถ้าป่วย เ, เจ็บไข้ในป่วยเออไปไม่ได้แต่นี้พอไปได้อยู่ก็คงไปเพราะว่าถือว่าเป็นญาติโกโหติ ก, กาอยู่ในกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาขององค์หลวงตาเราก็ต้องให้ความสำคัญให้ความรักเคารพ เ, เพราะาอยู่ด้วยกัน ่ตอนวันนี้หลวงพ่อคงไม่อยู่วัดนะและก็วันพุ่งนี้อีกพอฉันจังหารเสร็จก็คงจะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรของเราเนี่ยที่ท่านมาสร้างอาคารเรียนอยู่ที่บ้านวางแคเลยจากวัดของเราไปประมาณาสัก1ิกิโลมั้งางนี้ไปที่น้าท่วมผลจากน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วนะ่ะ ทานจากักรวรดิเขามาท่นานก็มาสร้างให้ท่นานก็มาเปิดประมาณสักสิบ1โมงหลวงพ่อก็คงจะได้ส w ับไปไปร่วมงานพวกท่านนิมนต์นี่แหละอันนี้กิดสืยถราชการไม่ว่างานหลวงไม่ว่างานราชเล่าเาบอกกล่าวให้ลูกหลานได้ไดยินได้ฟังนี่แหละเป็นหลวงปู่หลวงตาเป็นพระสงฆ์องค์เจ้า จะอยู่แบบสบายสบายต้องก็อยู่ไม่ได้เพราะมันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับชุมชนสังคมถ้าจะอยู่แบบสบายสบายก็ได้ไหมก็ได้แบบตัดออกไปเลยแต่ทางนี้ทางนั้นมันก็ถอยทีถอยอาศัยวัดวาศาสนาพุทธศาสนาก็ต้องอาศัยพี่น้องประชาชน ป ร, ระชาชนก็ต้องอาศัยพระพุทธศาสนาพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรดมาตั้งแต่บรบบพรพบุรุษของพวกเราเนี่แหละอันนี้ก็คือวัดวาศาสนาพุทธศาสนาสถาบันพี่น้องประชาชนคนในชาติถ้าว่าพวกเราปฏิบัติถูกต้องตามกฎกติกาไม่อยู่ในกฎ กรอบของใครของเรานี่แหละพวกเราก็อยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็ยนผาสุขถ้ากลุมกล่มใดกนหนึ่งล้ำล้ำเส้นเกินไปพระพุทธศาสนาล้ำเส้นเกินไปไประชาชนล้ำเส้นใดเส้นหนึ่งเกินไปก็ทำให้ความไม่จมมมกความไม่สงบเกิดขึ้นแน่ในจุด น, นั้น นี่คือสรุปแล้วก็คือให้พวกเราทุกคนอยู่ในกรอบอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้ให้ฟังเนี่ยเราเป็นหน้าที่เราเป็นพระอยู่ในสถานะอย่างนี้เราควรปฏิบัติตนอย่างไรในทัศในศาสนากิจในการไปพบคบค้าสมาคมหรือว่าเข้าไปในชชุมชนกลุ่มใด ช่วยเหลือชงสงเคราะห์อนุเคราะห์อย่างไรกับชุมชนและสังคมนั้น น, นัอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆท่านที่อยู่ในสถา น, นะไหนที่จะช่วยเหลือชุมชนได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรตาถ้าว่าทุกคนปฏิเสธข้าไม่ใช่นาทีนาที่ไม่ใช่ข้านะไม่มีการยืดหุนไม่กันไม่มีมองกันเลยเพราะไม่ใช่นาทีของข้า ถ้าทุกคนคิดได้เพียงแค่นั้นนะการอยู่ด้วยการมากน้อยก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับปูนทรายไม่มีปูนซีเมนต์ปูนกระทรายปูนกระทรายกับหินหินกระทรายไม่มีปูนซีเ ม, มนต์คลัเคล้ามันก็เป็นก้อนไม่ได้นี้ก็เหมือนกัน ถ้าว่าพวกเราไม่มีน้ําใจต่อกันต่างคนต่างอยู่มันก็หาความเป็นผึกแผ่นไม่ได้ในชุมชนและสังคมนั้ น, น, นแต่ถึงยังไงก็ตามถึงเราจะเป็นผึกแผ่นขนาดไหนแต่ส่วนตัวลึกๆของพวกเราแต่ละคนเนี่ยอย่ามองข้ามนี่ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ตนอย่ามองข้ามอันนั้นคือประโยชน์ท่าน ที่พูดให้ฟังที่บอกกล่าวให้ฟังแนะนำให้ฟังนะคือประโยชน์ท่านแต่ประโยชน์ประโยชน์ตนการไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาดูจิตใจของตนเองบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเข้าสู่จิตใจตัวนี้นะเป็นตัวที่ให้สำคัญยิ่งในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงใครจะเป็นยังไง แต่ตัวของข้าพเจ้าเองต้องมวมอง ด, ดูข้าพเจ้าขาดเหลือขาดตกปกพ่องอะไรบ้างในคุณงามความดีในเรื่องศีลสมาธิปัญญาของเราเนี่ยอันนี้ให้พวกเรามองถ้ามองภาพพวกเรามองไม่หลงลืมตนเองอย่างนี้นอันนี้แปลว่าถูกต้องตามหลักธรรมแต่ถ้าว่ามีแต่ อยากจะไปทาให้คนอื่นดีขัดขัดเกาคนคืออื่นให้ดีดูแลคนอื่นให้ดีสังสมสร้างโลกให้ดีให้สีวิไลแต่ตัวเองไม่ได้มองตนเองในหลักของพุทธศาสนาท่านว่าไม่ถูกต้องพูดอย่างนั้นเลยนะไม่ถูกต้องถ้าถูกต้องต้องทําตัวให้ดีซะก่อนอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวก ท่านบอกวาทำท่านทำ่านทำตัวให้ดีซะก่อนอแล้วท่านจึงทําชุมชนชุงสังคมอันนั้นเลิศประเสริฐแต่ทีนี้ถ้าเราเกิดมาแล้วเราจะทําตัวให้ดีซะก่อนจึงจะไปทําให้คนอื่นเออันนี้มันก็ยากอีกเหมือนกันเอมันก็ต้องทําทั้งตนเองทั้งคนอื่นด้วยทั้งคนอื่นเราก็ทําให้ดีตัวของเราก็เราก็ทําให้ดี ทำดีตัวของเราแล้วก็ทาให้คนอื่นดีอันนั้นก็เป็นอันดับที่สองแต่พันอันดับที่สามมีแต่คิดเอาแต่ตัวเองดีคนอื่นไม่สนใจอันนั้นก็ไม่น่าจะถูกแต่โดยมากมันเป็นลักษณะอย่างนั้นมากกว่าที่จะช่วยคนอื่นให้ดีไม่ช่วยตนเองอันนี้มีน้อยนะมีน้อยพอเห็นแก่ตัวมีมากเพราะกิเลสภายในใจของมนุษยชาติ ตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่ตึกจำบันแต่ไหนแต่ไรมามนุษย์กิเลสตัว น, นี้มันเห็นแก่ตัวเนี่ยมันมันมากเนีแต่ที่ยังไงก็เถอะนะเราได้ศึกษาในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาได้ศึกษาตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาของพวกเราให้มองดูให้หลายหลายมุมหลายหลายมุมมองหลายๆแนวทางหลายๆลายด้าน จากท่านมาเราก็จะเดินจุดไหนที่จะพอเหมาะสำหรับตัวของเราเองถ้าเรามองดูให้ดีแล้วเราก็จะรู้จักช่องทางในการเดินของเราตามความเหมาะสม น, นั้นแต่ถึงอย่างไรก็อย่างที่ว่าอย่าลืมตนเองตัวเองนี่แหละเป็นจุดที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าไม่มีใครที่จะช่วยเราอะไรเราได้ ในเมื่อเขาเขาวครั้งสุดท้ายอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรศิยาพระพุทธเจ้าท่านตรัสคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของเราเองถ้าเราทํากรรมชั่วกรรมชั่วนั่นแหละจะเป็นที่พึ่งของเราถ้าเราทํากรรมดีกรรมดีจะเป็นที่พึ่งของเรา เราทํากรรมชั่ว เ, วเราจะไป ท, ทําเทอากรรมชั่วเป็นกรรมชั่วเป็นที่พึ่งเน่นะเป็นยังไงกรรมชั่วเป็นที่พึ่งพอทํากรรมชั่วเข้าไปแล้วก็เข้าไปในติดคุกปิดติดตรางแล้วก็ไปเกิดเป็นหมูหมากาไกา่เป็นคงพิกงพิการหูหนวกตาบอดบ้าใบาเสียจิตเจริญอันนี้แปลว่ากรรมชั่วมาเป็นที่พึ่ง ถ้ากรรมชั่วเป็นที่พึ่งจะเป็นอย่างนั้นถ้ากรรมดีเป็นที่พึ่งเมื่อเราทำกรรมดีคิดดีทาดีพูดดีเป็นที่พึ่งไปอยู่นสิฐานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นผาสุขมีแต่อืออ้ออัมโวแต่ความสุขความเจริญไปนิสิานที่ใดมีแต่ความสุขกายสุขใจอันนี้คือความดีกรรมดีความดีให้ผลนี่แหละให้เลือกเอาท้องสองทาง ควรจะเลือกเอาทางที่ทำกรรมดีไว้ก่อนดีกว่าเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะประกอบคุณงามความดีสังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจไว้ตายแล้วไม่สูญพวกเราต้องฟังคำนี้ไว้ก่อนว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านกล่าวท่านบอกไว้เราตายแล้วไม่สูญพวกเราอย่าพึ่งปฏิเสธ ถ้าไม่เชื่อก็อย่าพึ่งปฏิเสธในจุดนี้ต้องศึกษาเพราะท่านพูดมาแล้วดึกดำบันพีสูตรมาแล้วหลายชั่วมนุษย์ตั้งแต่ปีสอตั้งแต่พศหนึ่งจนถึง 2,560 อปีครูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่ในป่าดงพงไพที่ท่านประพฤติปฏิบัติท่านก็ยืนยันยืนยัดรับรองว่าทำคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าตายแล้วเกิดหนึ่ง ไม่เป็นอย่างอื่นแน่นอนตายแล้วต้องเกิดไม่ไม่โซนสิ่งที่ให้เกิดนั้นถาว่าเราไม่ทำจิตใจให้สงบไม่ได้นั่งภาวนาเราจะไม่รู้มันอยู่เฉยๆเราจะไม่รู้จะขาดคะเนเดาประมาณการจะเรียนตำรับรำรามากขนาดก็เรียนเถอะไม่รู้พิสูจน์ไม่ได้เพราะเก่าไม่ถูกที่คัน ถ้าจะให้เก่าในถูกที่คันแล้วนะ่ะต้องนั่งสมาธิในเมื่อนั่งสมาธิจิตใจสงบนิ่งเมื่อจิตใจสงบนิ่งกายกับใจใจกับกายรวมลงไปแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายเป็นส่วนหนึ่งใจเป็นอันหนึ่งที่หลวงพ่อเปรียบเทียบให้ดูชัดๆก็คือรถกับคนขับรถร่างกายเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับคนขับรถเนะี่ยอันนี้คือชัดเจนเอ รู ป, ประธรรมและนามธรร ม, มตัวนามธรรมเนี่ยแหะจะพาไปเกิดในพบปูมต่างๆไปปฏิสนธิไปเกิดที่ไหนๆไปยึดไปเกาะที่ไหนๆคือตัวนามธรร ม, มนี่แหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยท่านประพฤติปฏิวัติมาท่านจึงรู้ได้ว่าตัวนามธรรมตัวนี้นหะเป็นตัวที่สําคัญยิ่งที่พระพุทธเจ้า ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ความสาคัญตัวนามธรรมมากกว่าอย่างอื่นที่สดตัวเน่แหละจะพาไปตกนรกจะปาไปดีไปชั่วจะคิดดีคิดชั่วจะทำร้ายทาลายโลกให้พินาจิบหายก็คือตัวเน่แหละตัวใจเนี่ยนะออพอคิดขึ้นมาแล้วก่อนนะหาหาวิธีการคิดพอคิดขึ้นมาแล้วก่อจะทำยังไงจึงจะล้างโลกล้าง ฆ่าคนได้ทำระเบิดต่างๆวิธีการทำก็คิดซะก่อนนะเขาต้องค้นคิดซะก่อนพอกินแล้วก็หาวัตถุเลามาประกอบนั่นเป็นวัตถุขึ้นมาเลยสังหารนี่แหละออกไปจากไหนละ่ะออกไปจากตัวผู้รู้ตัวคิดเนี่ยตัวคิดๆตัวนี้แหละตัวดวงใจดวงนี้แหละท่านจะว่าตัวนี่เป็นตัวอันตรายถ้าไปในทางที่ดีก็ดีเลิศ ถ้าไปในทางที่ชั่วชั่วมันหันไม่มีอะไรที่จะชั่วยิ่งกว่าใจชั่วที่จะทำร้ายทาลายโลกทั้งโลกได้เพราะอะไรเพราะใจชั่วแต่บัณฑิตนักปราชญ์ไม่มีทางที่จะทำโลกทั้งโลกให้เสื่อมสลายมีแต่พยายามแนะนำสั่งสอนโลกทั้งโลกให้มีความเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นผาสุขแต่กิเลสอยู่ในจิตใจดวงนั้นคิดขึ้นมาม่แต่ ทำรายทำลายสรุปแล้วก็คือภารลชนในหลักของพุทธศาสนาท่าท่านตรัสเป็นคำพูดเป็นคําตรัสออกมาท่านว่าอันนั้นคือจิตใจเป็นภาลชนเป็นคนชั่วจิตใจที่ชั่วต้องคิดอย่างงั้นถ้าจิตใจที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์มีแต่พยายามการอยู่ด้วยกันจะทํำยังไงจึงจะร่มเย็นเป็นสุขมีความเอือ้อเฟื้อเอือ้ออารีต่อกันรักเมตตากัน พอเกิดขึ้นมาแล้วกันต่างคนก็ต้องสะสะแสวงหาความสุขแต่อย่าให้ก้าวไกลกันตัวแสวงหาความสุขก็จริงอยู่แต่ไปเหยียบย่ำทำลายคนอื่นเขาอันนั้นไม่ถูกนะถ้าบัณฑิตทักปายก็ต้องสอนให้ดูตัวเองนะเอาเขาเรานะอย่างให้มีศีลห้าอย่างนี้ยศีลห้าไม่ใช่อื่นไกลคือเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาเราไปฆ่าเขาเขามาฆ่าเรา เรามไปขโมยของเขาเขามาขาโมยของเราเราไปประพฤติผิดในลูกเมียของคนอื่นเขาเขามาทําให้กับเราเราไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาเขาไปทําให้กับเราสรุปแล้วเขาเราเขาเราเอ่อเคยสี่ห้าคือกฎระเบียบกฎกติกาของบัณฑิตนักปราชญ์ที่ท่านได้อบอกกล่าวเอาไว้นี่แหละสิ่งเหล่านี้แหละทั้งหลายทั้งปวงหลักของพุทธศาสนาถ้าเราศึกษาให้ละเอียดทีท่วนแล้ว เป็นเรื่องละเอียดอ่อนอคิดไปเท่าไรศึกษาไปเท่าไรเรียนรู้ไปเท่าไรเราจึงจะรู้ได้ว่าโอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยพระหัสนิสาวกเนี่ยฉลาดจริงๆเพราะฉลาดมาจากไหนฉลาดท่านเรียนรู้ในใจของท่านเองแนวความรู้สึกนึกคิดของท่านเองคิดทางนี้เป็นคิดเป็นกิเลสคิดทางนี้ เ, เป็นบัณฑิตนักปราชญ์คิดทางนี้เป็นภาลชนคิดทางนี้เป็นบาปอากุศล มันออกไปจากใจของพวกเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นท่านเรียนวิชาเนี่ยท่านไม่ได้เรียนจากที่อื่นนะเรียนตัวจากรู้ในใจของท่านเองตัวรู้สึกนึกคิดของท่านเองเท่า น, นั้นแหละเนี่นแหะคือหลักวิชาของพุทธศาสนาไม่ได้เรียนออกไปจากทางอื่นถ้าเรียนออกทางอื่นวิชาต่างๆที่เรียนออกไปนั่นคือตะคุบเงาท่านเองนะคนนั้นคิดอย่างนี้คุณนี้คิดอย่างนั้นไปตามเงากระแสไปตาม โลกสมมตินะแต่ต้นตอของเรื่องราวต่างๆออกไปจากใจทั้งหมด น, ะนี่แหละหลักของพุทธศาสานาฉันจึงให้มีสมาธิให้ดูใจถ้าจิตใจเป็นสมาธิจิตใจเป็นหนึ่งแล้วเราเราจะรู้ได้ไม่ต้องมองที่อื่นมองที่ใจนะดูที่ใจแก่ที่ใจปรับปรุงที่ใจแล้วก็ จะทำให้จิตใจสูงจิตใจต่ำเนี่ยเราต้องมองมองดูใจของเราถ้าเราทำให้จิตใจต่ำก็ได้ทำให้จิตใจสูงก็ได้นันละสูงและต่ำมันเพราะอะไรท่านก็หาสาเหตุอีกสูงและต่ำก็คือกิเลสกิเลสราคะโทสะโมหะอันนี้คือเป็นตัวทวงทำให้จิตใจต่ำถ้าจิตใจสูงกันนะชะําระด้วยตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญา ทำให้จิตใจสูงขึ้นอันนี้ให้พวกเราศึกษาลุกษาเรื่องตัวนามธรรมคือตัวจิตใจตัวนี้แะะเพราะนั้นเรื่องหลักของพุทธศาสนาแล้วถ้าพูดไปแล้วไม่หนีออกจากหลักนี้นะต่อนนี้ไปพระสง์โุโมทนาให้พรรับพร